พระตรายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิเอ็ดสุตตันตปิฎกอังกุตรนิกายจตุ ก, กะนิบาต ท, ทุติยปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่สองในหมวดใหญ่นี้แบ่งออกเป็นห้าวร์วร์ละประมาณสิบสูตรเช่นเคยวร์ที่หนึ่งชื่อปุญญาพิสันทวัตรว่าด้วยความไหลามาแห่งบุญวร์ที่สองชื่อปัตตกรรมมวร์ว่าด้วยกรรม หรือการกระทําอันสมควรวักที่สามชื่ออปัญญกวรคว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิดวักที่สชื่อมัจลราวักว่าด้วยสมณะผู้ไม่หวั่นไหววักที่ห้าชื่ออสูรวักว่าด้วยอสูรวักที่หนึ่งชื่อปุญญาพิสันธวักว่าด้วยความไหลามาแห่งบุญ ทรงแสดงความไหลามาแห่งบุญแห่งกุศลมีความสุขเป็นอาหารซึ่งเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์และความสุขสี่อย่างคือภิกษุผู้บริโภคปัจจัยสี่ของผู้ใดแล้วเข้าสู่เจโตสมาธิอันไม่มีประมาณอยู่ความไหลามาแห่งบุญของผู้นั้นย่อมไม่มีประมาณ ลำดับปัจจัยสี่แต่ละข้อนับเป็นหนึ่งข้อทรงแสดงความไหลามาแห่งบุญแห่งกุศลอีกสี่อย่างคืออริยาสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าไครคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ร้อยเป็นไทยเป็นไปเพื่อสมาธิ ตรัสแสดงธรรมแก่ขรือหบดีขรือหปตานีผู้เดินทางระหว่างเมืองมัทุรากับเมืองเวรัญชาเรื่องการอยู่ร่วมกันสอย่างคือหนึ่งศพอยู่ร่วมกับศพได้แก่สามีและภริยาทุศีนมีธรรมะอันเลวด้วยกัน 2. ศพอยู่ร่วมกับเทพีได้แก่สามีทุศีนแต่ภริยามีศีลธรรม 3. เทพอยู่ร่วมกับศพได้แก่สามีมีศีลธรรมแต่ภริยาทุศีลสีเทพอยู่ร่วมกับเท พ, พีได้แก่สามีภริยามีศีลธรรมด้วยกันตรัสแสดงเรื่องการอยู่ร่วมกันสี่อย่างเช่นเดียวกับข้างต้นเป็นแต่อธิบายต่างออกไปกำหนดทุจริตสุจริตกายวาจาใจ รวมฝ่ายละสิบที่เรียกว่าอุุศน ล, ละกรรมบทและอุศุนละกรรมบทเป็นฝ่ายชั่วและฝ่ายดีตรัสแสดงธรรมแก่บิดาและมารดาของน ก, กุลมานพผู้มีความปรารถนาจะเห็นการทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือปรารถนาจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งเสด็จประทับนนิคมชื่อปัชเนระแห่งกุิยักษริย์ ตรัสแสดงธรรมแก่นางสุปววาสาทิดาโกิยกษัตัิย์เรื่องอริยสาวิกาถวายอาหารแก่ปฏิคาหกคือผู้รับชื่อว่าให้อายุผิวพรรณความสุขและกำลังครั้นให้แล้วก็จะเป็นผู้มีส่วนได้สิ่งทั้งสี่อย่างนั้นที่เป็นทิพย์ตรัสแสดงธรรมแกอนาถาปินฑิกะคฤรหาบอีทำนองเดียวกับนางสุปววาสา และแสดงเรื่องข้อปฏิบัติชอบของเขาเรือหัดผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการอันทมให้ได้ยศเป็นไปเพื่อสวรรค์คืออุปถากภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่วัคที่สองชื่อปัตตกรรมวัคว่าด้วยกรรมหรือการกระทาอันสมควร ตรัสแกอนาถาบินธิกขคารหาบดีถึงธรรมะที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจอันหาได้ยากคือยากจะสมหวัง4ประการคือ 1. ขอให้มีทรัพย์ 2. ขอให้มียศ 3. ขอให้อายุยืน 4. ขอให้ตายแล้วไปสู่สุขคติโลกสวรรค์แล้วทรงแสดงข้อปฏิบัติ ที่ให้สำเร็จประสงค์สี่ประการคือหนึ่งถึงพร้อมด้วยความเชื่อ 2. ถึงพร้อมด้วยศีล 3. ถึงพร้อมด้วยการบริจาค 4. ถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยเฉพาะข้อปัญญาตรัสอธิบายว่าได้แก่รู้เท่าทันนิวรณ์ว่าเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตแล้วละได้ สำหรับคำว่านิวรคือกิเลสอันกั้นจิตให้บรรลุความดีโดยปกติแสดงว่ากามาฉันความพอใจเป็นข้อแรกบางแห่งก็ใช้คำว่าอาภิชาคือความเพ่งเลงหรือโลภในที่นี้ใช้อภิชาวิสมะโลภะคือโลภอย่างรุนแรงเป็นข้อแรกเมื่อมีความถึงพร้อมด้วยความเชื่อด้วยศีลด้วยการบริจาคด้วยปัญญา ผู้เช่นนั้นย่อมทำกรรมที่กวรสี่อย่างคือเมื่อได้ทรัพย์มาด้วยความเพียรอันชอบทำแล้ว 1. ย่อมทำตัวเองมารดาบิดาบุตรภริย า, าธาตุกรรมกรมิสหายให้เป็นสุข 2. เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นในทรัพย์นั้นใช้ทรัพย์นั้นป้องกันทำตนให้มีความสวัสดี 3. ามทำพลีห้า คือญาติพลีสงเคราะ์ญาติอิติทิพลีต้อนรับแขกปุกเพเตตะพลีทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชพลีเสียภาษีอากรแก่หลวงเทวตาพลีทำบุญอุทิศให้เทวดาหรือเสียสลับเพื่อบูชาคุณความดีที่ทํามนุษย์ให้เป็นเทวดา 4. ถวายทานแด่สมณรามผู้ประพฤตชอบ ถ้าทรัพย์หมดไปเพราะใช้จ่ายนอกจากกรรมอันควรสี่อย่างนี้ชื่อว่าหมดไปอย่างไม่สมควรต่อหมดไปตามหลักนี้จึงชื่อว่าหมดไปอย่างสมควรตรัสแสดงความสุขที่ครพหัดผู้บริโภคกรรมจะพึงได้รับตามการอันสมควรข้อนี้คือสุขของผู้ครองเรือนสี่ประการคือหนึ่ง สุขเกิดจากการมีทรัพย์สสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สสุขจากการไม่เป็นหนี้สี่สุขจากการงานที่ไม่มีโทษตรัสว่าสกุลที่บูชามารดาบิดาในเรือนของตนชื่อว่ามีพรมมีบูรพาจารย์มีบูรพ า, า, าเทพคือเทวดาผู้เป็นต้นเดิมมีผู้ควรของคำนับ คำเหล่านี้เป็นชื่อของมารดาบิดดาเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้เลี้ยงดูแสดงโลกนี้แก่บุตรตรัสว่าผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดเป็นผู้เหมือนถูกนำไปตั้งไว้ในนรกทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งถือรูปเป็นประมาณเริ่มใสในรูป สองถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียงสามถือความปอนคือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความปอนสี่ถือธรรมะเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรมะทรงสแสดงบุคคลสี่ประเภทคือผู้มีราคะโทสะโมหะมานะหรือความถือตัว งูกัดภิกษุรูปหนึ่งตายตรัสสอนให้แผ่เมตตาจิตในสกุลพญางูทั้งสี่แต่ในบทกวีท้ายสุดสอนให้แผ่เมตตาในสัตว์ทุกประเภททรงบารบพระเทวทัตตรัสว่าลาบสักการะชื่อเสียงเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความเสื่อมเปรียบเหมือนต้นกล้วยตกเครือต้นไผ่ตกขุย ต้นอ้อตกขุยมาอัศสดรตกลูกเพื่อฆ่าตนเพื่อความเสื่อมฉะนั้นหมเหตุผู้อ่านสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่รู้คือเช่นต้นกล้วยเมื่อมีเครือคือออกลูกจนสุกแล้วไม่นานต้นแม่ก็จะตายนะครับตรัสแสดงความเพียรสี่อย่างคือเพียรระงับบาปไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำความดีให้เกิดขึ้นเพียนรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วตรัสแสดงว่าในสมัยใดพระราชาเมตตั้งอยู่ในธรรมในสมัยนั้นข้าราชการรามคฤหาบดีชาวนิคมชนบทก็ปล่อยเมตตั้งอยู่ในธรรมด้วยพระจันทร์พระอาทิตย์ดาวฤกษ์กลางคืนกลางวันฤดูเป็นต้นก็แปรปรวนได้ด้วย แต่ถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคือในธรรมะผู้อื่นก็ปล่อยตั้งอยู่ในธรรมด้วยฤดูเดือนปีเป็นต้นก็ไม่ปรวนแปรแล้วตรัสสรุปในท้ายพระสูตรว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดได้รับยกย่องว่าประเสรศิฐทําไม่ประพฤติธรรมประชาชนก็ปล่อยไม่ประพฤติตามด้วยแวนแขวนทั้งปวงก็อยู่เป็นทุกข์ถ้าตรงกันข้าม ก็อยู่เป็นสุขเปรียบเหมือนโคหัวหน้าฝูงเมื่อข้ามน้ำว่ายไปกดเคี้ยวโขทั้งปวงก็ว่ายน้ำคดไปตามถ้าไปตรงโขทั้งปวงก็ว่ายน้ำไปตรงวรรคที่สามชื่ออปันนกวร์ว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิด ทรงแสดงข้อปฏิบัติไม่ผิดของผู้ที่ริเริ่มเพื่อทำอาสวะให้สิ้น4ประการคือ 1. มีศีล 2. สดับตรับฟังมาก 3. ปรารบความเพียร 4. มีปัญญาและอีกสประการคือประกอบด้วยความตรึกในการออกจาักกามในการไม่พยาบาทในการไม่เบียดเบียนและมีความเห็นชอบ ตรัสว่าอสัตบุรุษหรือคนชั่วประกอบด้วยธรรมะสี่ประการคือหนึ่งไม่ต้องถามก็เปิดเผยความชั่วของคนอื่นยิ่งถูกถามก็ยิ่งกล่าวความชั่วของคนอื่นอย่างบริบูรณ์พิสดาร 2. แม้ถูกถามก็ไม่เปิดเผยคุณความดีของคนอื่นหรือเปิดเผยก็ไม่บริบูรณ์ไม่พิสดาร 3. มแม้ถูกถาม ก็ไม่เปิดเผยความชั่วของตนหรือเปิดเผยก็ไม่บริบูรณ์ไม่พิสดาร 4. ไม่ต้องถามก็เปิดเผยคุณความดีของตนยิ่งถูกถามก็ยิ่งกล่าวความดีของตนอย่างบริบูรณ์พิสดารส่วนสัตว์บุรุษหรือคนดีส่งแสดงโดยในตรงกันข้ามตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลาย ทำตนเหมือนหยิงสาวที่นำมาสู่สกุลสามีใหม่ๆซึ่งมีความละอายความเกรงกลัวมากในแม่ผัวพ่อผัวในสามีโดยที่สุดแม้ในธาตุและกรรมกรแต่เมื่ออยู่ร่วมกันนานเข้าก็พูดรุกรานเอาภิกษุบวชใหม่ก็ฉันนั้นย่อมมีความละอายความเกรงกลัวมากในภิกษุภิกษุณีอุบาศกอุบาสิ ก, กาโดยที่สุด แม้ในคนทำงานวัดและสัมมเนนแต่ไม่อยู่ร่วมกันนานเข้าก็รุกรานเอาทรงแสดงสิ่งที่เลิ่อสี่อย่างคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติหรือความหลุดพ้นและอีกสี่อย่างคือรูปเวทนาหรือความรู้สึกอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้และภพความมีความเป็น เมื่อใกล้จะบริณิพนตรัสเปิดโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายผู้มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักในข้อปฏิบัติกราบทูลถามได้อย่าเดือดร้อนภายหลังว่าอยู่ต่อหน้าพระศาสดาแต่ไม่ได้ถามแม้ตรัสถึงสามครั้งก็ไม่มีผู้ถามจึงตรัสว่าถ้าไม่ถามเพราะความเคารพในพระศาสดาก็ให้บอกแก่สหาย คือให้ถามแทนได้แต่ก็ไม่มีใครถามพระอานุ์แสดงความอัศจรรย์ใจพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุที่ประชุมอยู่นี้ยังต่ำเป็นพระโสดาบันเที่ยงที่จะได้ตรัสรู้ในภายหน้าตรัสเรื่องไม่ควรคิดหรือเรื่องอจินไตยสี่อย่างคือวิสัยของพระพุทธเจ้า วิสัยของฌานหรือการทําจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ผลของกรรมความคิดเรื่องโลกเช่นใครสร้างโลกเป็นต้นตรัสเรื่องความบริสุทธิ์ของทักขินาหรือของถวายสี่อย่างคือหนึ่งบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับ 2. บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ ฝ่ายผู้ให้ 3. ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้ผู้รับ 4. บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้ผู้รับทรงอธิบายความบริสุทธิ์ด้วยการมีศีลและกา ร, รยานธรรมตรัสตอบพระสาวรีบุตรแสดงการกระทาในชาติก่อนของบุคคลสีป่ประเภทที่ปวารณาสมณพราหมณ์คืออนุญาตให้ขอ แล้วไม่ทำตามที่ขอไม่ให้ตามที่ต้องการให้ตามต้องการและให้ยิ่งกว่าความต้องการคือขอน้อยให้มากแต่ละข้อเป็นเหตุให้พ่อค้าที่ขาดทุนไม่ได้ผลที่ตามต้องการหรือได้ผลตามที่ต้องการหรือได้ผลดียิ่งกว่าที่ต้องการโดยลำดับตรัสตอบคำถามของพระานนท์ เรื่องความชั่วคือความโกรธความริษยาความตรนีความมีปัญญาซามว่าเป็นเหตุให้มาตุ ค, คามไม่ได้นั่งในสภาไม่ได้ทำการงานไม่ได้ถึงกรรมโมชะคือโภชะแห่งการงานข้อนิัตตกถาอธิบายว่าไม่ได้เดินทางไกลไปแคว้นกัรมโพชะหรือไปนอกแว่นแขว้น วักที่สี่ชื่อมะจรารวักว่าด้วยสมณะผู้ไม่หวั่นไหวทรงแสดงความชั่วความดีฝ่ายละสี่ที่เป็นเหตุให้บุคคลตกนรกขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนำไปตั้งไว้เช่นเกี่ยวกับศีลทุจริตสุจริตทุจริตหนักในความชั่วไม่หนักในความดี ทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือผู้มืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปโดยแสดงว่าเกิดมาไม่ดีแล้วทำความชั่วเกิดมาไม่ดีแต่ทำความดีเกิดมาดีแต่ทำความชั่วเกิดมาดีแต่ทำความดีดีชั่วกําหนดด้วยสุจริตและทุจริต ทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือพร่องมาพร่องไปพร่องมาเต็มไปเต็มมาพร่องไปเต็มมาเต็มไปโดยอธิบายเช่นเดียวกับพวกมืดและสว่างข้างต้นตรัสเรื่องบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งสมณะผู้ไม่หวั่นไหวได้แก่พระเสขะผู้ปรารถนาความปลอดโรงจากกิเลสอย่างยอดเยี่ยม พระเสขหมายถึงพระอริยบุคคลผู้ยังต้องศึกษา 2. สมณะดอกบัวขาวได้แก่ภิกษุผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเป็นพระอาหารหันต์แต่ไม่ได้ถูกต้องวิโมกแปดด้วยนามกาย 3. สมณะดอกปทุมคือบัวหลวงได้แก่ภิกษุ ผู้ทำให้แจ้งวิมุตต์ทั้งสองนั้นแล้วได้ถูกต้องวิโมกแปดด้วยนา ม, ม ก, กาย 4. สมณะสุขุมานคือผู้ละเอียดในสมณะทั้งหลายได้แก่ภิกษุผู้ไม่มากมากในปัจจัยสี่ต่อเมื่อมีผู้ขอร้องจึงใช้สอยมากไม่มีผู้ขอร้องก็ใช้สอยน้อยมีโรคน้อยได้ฌานสี่ตามต้องการทำให้แจ้งเจตโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะแล้วทรงแสดงสมณะสี่ประเภทตามชื่อเดิมอีกต่างแต่คำอธิบายตามลำดับข้อคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อีป ร, ริยายหนึ่งได้แก่ภิกษุผู้มีมรรคปผู้มีสั ม, มันตะสิบแต่ไม่ได้ถูกต้องวิโมกแดด้วยนา ม, มากายผู้มีสั ม, มันตะสิบ ทั้งได้ถูกต้องวิโมกแปด้วยนามกายผู้ไม่มีความมักมากในปัจใจสี่และอีกในหนึ่งส่งแสดงสมณะสี่ประเภทตามชื่อเดิมดังกล่าวข้างต้นว่าได้แก่ภิกษุผู้เป็นพระเสกขะผู้เห็นความเกิดความดับในขันห้าแต่ไม่ได้ถูกต้องวิโมกแปด้วยนามกายผู้เห็นความเกิดความดับในขันห้าทั้งได้ถูกต้องวิโมกแปดด้วยนามกาย และผู้ไม่มักมากในปัจจัยสี่วั์ที่หชื่ออสุรวัฏว่าด้วยอสูรตรัสแสดงอสูรสี่ประเภทคือหนึ่งอสูรที่มีอสูรเป็นบริวารได้แก่บุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรม มีบริษัทเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรม2อสูรที่มีเทพเป็นบริวารได้แก่บุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมแต่มีบริษัทเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 3. เทพที่มีอสูรเป็นบริวารได้แก่บุคคลผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่มีบริษัทเป็นผู้ทุศีลมีบาปทำสี่ เทพที่มีเทพเป็นบริวารได้แก่บุคคลผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทั้งมีบริษัทเป็นเช่นนั้นด้วยพระสูตรนี้แสดงความเป็นยักษ์เป็นเทวดาด้วยคุณธรรมอันนับเป็นพระธรรมเทศนาที่ทันสมัยอยู่ตลอดกาลทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งผู้ได้เจโตสมถะหรือความสงบแห่งจิตในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสนาหรือความเห็นแจ้งธรรมะอันเป็นอธิปัญญา 2. ผู้ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสนาแต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายใน 3. ผู้ไม่ได้ทั้งสองอย่าง 4. ผู้ได้ทั้งสองอย่างตรัสอธิบายขยายความบุคคลสประเภทข้างต้นอีกหลายใน ตรัสแสดงบุคคลสประเภทคือ 1. ผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเปรียบเหมือนดุนปืนถูกไฟไหม้สองข้างตรงกลางก็เปื้อนอุดจระใช้ประโยชน์ของไม้ในบ้านก็ไม่ได้ในป่าก็ไม่ได้ 2. ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่เพื่อประโยชน์ตนยังดีกว่าข้อแรกส ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นยังดีกว่าสองข้อข้างตน้น 4. ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนับว่าดีกว่าทุกข้อพึงสังเกตว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนหมายความว่าทําตนให้บรรลุมรควุนจึงยกย่องว่าสูงกว่าประโยชน์ผู้อื่นเพราะท้ตนเองได้บรรลุ ก็อาจบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้แต่ตั้งศาสนาขึ้นเพื่อสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ย่อมไม่ได้ผลจริงจังเหมือนตรัสรู้ด้วยพระองค์เองก่อนแล้วตรัสอธิบายบุคคลสี่ประเภทในชื่อเดิมอีกหลายในเช่นปฏิบัติเพื่อนำออกซึ่งราคะโทสะโมหะ ชักชวนผู้อื่นเพื่อการนั้นในหนึ่งอีกนหนึ่งพิจารณาได้เร็วในกุศลธรรมทรงจำธรรมะที่สดับแล้วได้ดีพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้แล้วปฏิบัติเพื่อรู้อัดรู้ธรรมนี้เป็นฝ่ายประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ผู้อื่นคือชักชวนแนะนำเพื่อเป็นเช่นนั้นอีกนหนึ่งประโยชน์ตน คือเว้นจาัด ก, การล่วงละเมิดศีลห้าประโยชน์ผู้อื่นคือชักชวนผู้อื่นให้เว้นจัด ก, การล่วงละเมิดศีลห้าแม้ในในหลังนี้การที่ตนอยู่ในศีลธรรมก่อนผู้อื่นก็ยังนับว่าสูงกว่าการดีแต่ชวนให้ผู้อื่นอยู่ในศีลธรรมแต่ตนเองล่วงละเมิดตรัสแสดงบุคคลสี่ประเภท แกโปตาลิยะปริภาชก ค, คือหนึ่งผู้ติคนที่กวนติแต่ไม่ชมคนที่กวรชมสองชมคนที่กวรชมแต่ไม่ติคนที่กวนติสไม่ติคนที่กวนติไม่ชมคนที่กวรชมสติคนที่กวนติชมคนที่กวรชมทั้งสี่ประเภทนี้มีข้อแม้อยู่ว่า เป็นไปนโดยการละละติชมตามความจริงปริภาชบทูลว่าตนชอบพอใจบุคคลประเภทที่สามเพราะวางเฉยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์ชอบบุคคลประเภทที่สี่เพราะรู้การในที่นั้นๆ